ตั้งใจภาวนากุศลาให้เจ้าของน о, ั่นนะกุดง่ายๆกุศลาก็แปลว่ากุศลแปลว่าบุญแปลว่ากุศลอกุศลาก็คือบาปอกุศลกุศลลาก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยนะกุศลลาอกุศลาก็คือบาปอกุศลข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิกรรมพูดปดมดเทศขินเหล่ามาสุลาเนี่ยเรียกว่าอกุศลาอัพยากตาธรรมมของภพยากตาขิต กิจที่อยู่นอกบุญเนื้อบาปอยู่นอกกุศลาอากุศลาไม่ใช่กุศลาไม่ใช่อกุศลากิจที่อยู่นอกบุญนอกกุศล น, นอกบุญเนื้อบาปไปกิจของพระปินาศกิจ ข, ของพระอรหันต์ทไปทำมากว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาไปอยู่นอกบุญเนื้อบาป ห, หากันภาวนาไม่มีอะไรจะไปพึ่งพระอาศัยได้ดอก พึงครอบตัวก็เพึ่งไม่ได้ดอกใจขาดแล้วพึงลูกพึ่งหลานก็พึ่งไม่ได้ดอกใจขาดแล้วพึ่งได้แต่ภาวนาภาวนาเราต้องมาพัฒน า, พ, ฒนาพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้ออกจากบาปเมื่อคนตายเขาก็มานิมนต์พระไปบอกกันนี่นะเป็นบอกคุณว่าน้น มนพระไปมาติการไปให้บุญไปบอกบุญก็ว่าอันนี้หลักกุศลานะไม่รู้ว่าผูดด้ตายจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะมันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีประพฤติปฏิบัติกันมาโน้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระคุมหนึ่งหรือตั้งแต่ก่อนนั้นมีพระคุมนึ่งไปปฏิบัติอยู่ในถ้ม เขาไปสวดนีนะ่สวดอภิธรรมนี่นะสวดกุศลานีนะ่ทุกวันทุกวันอีเกียข้างเขาเองนอนอยู่ในธมออก็ฟังด้วยความศรัทธานะฟังไปฟังมาเพลินขาเลยหลุดจากผ น, นังรรมลงไปหัวเสียบใส่กับพื้น หัวแตกคอหักไปด้วยความศรัทธาความยินดีพอใจจิตของข้างค้าวเหล่านั้นไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาววดุคนก็ได้ยินว่าสวดกุศลละมันดีจะช่วยเหลือได้ว่างั้นนะก็เลยนิมนต์พระไปสวดให้ไปบอกบุญ อย่าทำบาปนะนั่นทำแต่บุญกุศลนะไปบอกสอนบอกอีกอันหนึ่งก็พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปในะสวรรค์เทศโปรดพระพุทธมารดานะท่านพอไปเทศอภิธรรมเจ็ดคำพ์นไปโปรดพระพุทธมารดาของท่านท่านแต่ก่อนไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงท่านต่อมานจิตก็เลื่อนขึ้นไปอุบัติขึ้นเสริมชั้นดุสิต ก็ไปสวดนี่เพศเรื่องอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่ก็ขึ้นต้นด้วยกุศลานี่แ่ละคนไต่ไปจึง น, นิยมนิมนพระมาสวดอภิธรรมอภิธรรมมันมีอยู่เจ็ดคำพีนอกจากสวดอภิธรรมแล้วเวลาเอาเข้าไปเผาก็กลัวกันจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปอะไรก็ไปสวด บอกดูหน้าศพอีกหน้าหน้าไฟอีกที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมาสร้างเอากุศลาไปว่าบุญไปว่ากุศลบุญในศาสนานี่คือคุณงามความดีกุศลก็คือความสลาดเรียกว่าบุญก็ได้เรียกว่ากุศลก็ได้กุศลในศาสนานี่ยมันมีอยู่สีอย่าง ให้พากันรู้จักมีอยู่สี่อย่างอันหนึ่งก็เกรียกว่ากามมาวจจรกุศลจรไปว่าไปจิตยังท่องเที่ยวอยู่ในกามอยู่กามมาวจจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามลูปาวาจจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกนี่นลูกชานลูปาวาจจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ใน อรลปชาญโลกุตละกุศลกุศลที่อยู่เหนือโลกสามทางศาสนาบัญญัติกุศลเอาไว้สี่อย่างรรมมาวาจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามชั้นกามมีอยู่ส1บอชั้นอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกูปวาวาจรกุศลก็มีอยู่ส6บหชั้นผู้ที่ได้ชาญ ได้ลูกชานจิตได้ปฐมฌานก็จะไปอุบัติขึ้นบนพรมมโลกชั้นตน้ตนๆตามภูมิของใจตามภูมิของสติปัญญาความละเอียดของจิตของใจปฐมฌานก็ไปอุบัติขึ้นบนพรมมโลกชั้นที่หนึ่งสองสามหนึ่งสุติยฌานฌานสองไปอุบัติขึ้นบนมมรรคสี่ห้าหก 4, 5, ตัดที่เยื่ชันก็ไปอุบัติขึ้นคุณสมบัติ จ, จิตใจแค่นี้ก็ไปอุบัติขึ้นบนเนะจ็ดแปดเก้านะแยดตุจชะชันชั้นที่สี่แยดตุแปว่าสี่ถ้าแตกขั้นดับแล้วก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่สิบสิบเอ็ดสิบสองตามความหยาบความละเอียดของจิตธรามะที่นั่งมีความหยาบความละเอียดอยู่อ่า นี่มันแยกออกเป็นอย่างนี้กุศลานาะยถึงจิตของเราเนะี่ยจิตอยู่ในขั้นไหนถ้าขึ้นไปอยู่อารมณ์พรมจิตละเอียดปณีตละเอียดเลยละเอียดขึ้นไปก็เรียกว่าปณระนีตกนะ็ไปอุบัติขึ้นพร ม, มโลกอารมณ์พรมนะั่นน่ะมันมีอยู่สี่ชั้นมี่แหละท่านเรียกว่าตา ม, มาวิาจรภูมิ ลูปาวะจอภูมิอรูปาวจรภูมิภูมิแปลว่าชั้นแปลว่าระดับของจิตของใจการมพาพบลูกปรพบอรูพบพบแปลว่าที่เกิดที่ตั้งของจิตของใจใจอยู่ในภูมิไหนก็ไปเกิดอยู่ในพบนั้นมันมีอยู่ทั้งหมดสามบอ็ดพบสาสบเอ็ดภูมิอันนี้ถ้าพูดที่ สาม1อ็ดพบสมสเอ็ดภูมินี่มันเฉพาะผู้ที่อุปทานเอาขันห้าติดอยู่ในขันห้าผู้ที่ดับขันห้าได้จึงจะไปขึ้นอยู่คนพบภูมิที่สี่เรียกว่าโลคุตระภูมิคือพระนิพพานต้องเข้าใจผู้มาปฏิบัติต้องรู้จักภูมิจิตภูมิใจภูมิศีลภูมิธรรมของเจ้าของถ้าไม่รู้จักก็ปฏิบัติไปไม่ได้แล ภูมิจิตเท่านี้ได้เป็นอันนี้ภูมิจิตเท่านั้นได้เป็นอันนั้นได้ไปขุบอุบัติขึ้นตรงนั้นต้องรู้จักไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติมารักษาศีลก่อนรักษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จักศีลจักธรรมหมูไม่กลัวน้าร้อนมวิญญานบาปยันหมอนรกพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันมาปฏิบัติไม่รู้ปฏิบัติอะไรให้ทํำยังไง มันก็ไม่กลัวหรอกอันไหนหยาบหยาบอันไหนมันผิดศีลผิดธรรมมันก็ไปทําอำเทศให้ฟังแล้วมันก็เท่ากับเป่าปีใสหควไฟนั่นแหละไม่อยากว่าไม่กล้าว่าเจ้าของจะไปเกิดอยู่ในภพไหนภูมินี้ต้องดูตั้งแต่เจ้าของยังไม่ตายนี่ยตายไปแล้วเราจะไปอยู่ภพนั้นภูมินี้เรารู้จักแต่ยังไม่ตายถ้าศีลตัวเพณีมันก็โอ้ยมันก็ใช้ไม่ได้ ไา้ไปก็เท่านั้นแหละผู้ไม่อยู่ในศีลในธรรมอย่าคิดว่ามันพงอบัปปะจะพงได้เสมอไปมันพงไม่ได้เราไปทําผิดกันบ่อยๆศีลก็มาขอกับพระมันไม่ใช่อยากขอได้มันอยู่กับใจของตัวเองหนอกศีลศีลภายในคือใจให้ภาันตั้งใจเข้าต่อปฏิบัติเข้าศีลก็ปาปิเลอย่างยาบ อันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตจากใจสามารถที่ก่ปราศพิเรศอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรมห้าออกจากจิตจากใจอปัญญาก่อปราศพิเลศอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิอุปทานออกจากจิตจากใจใจเราก็ดีพึงขึ้นไปอยู่พมโลภนั่นนี่แหละกุศลา ไม่ใช่ไปสวดเอาเฉยๆต้องรู้จักกุศลาให้เจ้าของให้ทานรักษาศีลภาวนาทางโยมพระก็มีการรักษาศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติลงใส่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้แล้วก็พากันทาอยู่นี่นะภพภูมิของจิตของใจในพุทธศาสนาก็มีสีพภพสีภูมินี่ ปฏิบัติลงไปนั่งสมาธนะิให้มันสงบหน่อยไม่รู้ว่าคิดอยากไปอะไรใกล้ออกพรรษาเท่าไรก็ยิ่งพุ่งซ่านนะไปแล้วสือ ก, ก่อนเจ้าของแล้วบางองค์บางท่านนะ่อืมโยมก็เหมือนกันไปแล้วออกพรรษานี่อย่าไปอันนั้นอันนี้ไปแล้วพรรษาไม่พนนะรรษาก็ขึน้นเก่านั่นแหละศีนก็ขีนอันเก่านี่นะศีนอันเก่านี่ สมาธิของพระสมาธิอันเก่านะี่น่ะมันไม่ได้เรียกพรรษาไม่เรียกอะไรนะถ้าเราทําได้มันก็สงบเท่านั้นไม่มีการมีเวลาอาการิโกไม่จํากัดการเวลาทําเวลาไหนถ้าทําถูกมันก็สงบถ้าจิตมันยังท่องเที่ยวอยู่ในกามอยู่มันก็ไปไม่ได้กามกามนี่มันเป็นของละเอียดมาก ไม่ใช่ไปเสพเนื้ทุนธรรมอย่างเดียวนะคำว่ากามกรรมคดจะาเข้าใจอย่างนั้น ม, มันเกิดจากตาเห็นลูกนี่เกิดจากจมูกได้กลิ่นลิ้นไดน้รสนี่มันไปอย่างนี้กรมมาคุณห่างกรมที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมก็มีอยู่คนก็ยังต้องการอยู่กรมที่ผิดศีลผิดธรรมก็มีมมกรืมมาคุณห้า คนก็มาหลงติดอยู่นี่ตาเห็นลูนลูกอะไรก็ตามมันก็มาติดอยู่นี่ทาให้เกิดความอยากเกิดตัญหามีความอยา ก, า ก, ากขึ้นมาความโลภความโกรธขึ้นมาเท่านี้ไม่มีอะไรปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเพื่อชนะความโลภความโกรธความหลงอันนี้เท่านั้นแล้วทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่เท่านั้น ท, ท่านเรียกว่ามักแปดมักมีองค์แปดปฏิบัติป้าปฏิบัติไ ป, ป, ไปมันก็ไม่มีอะไรขั้นชิ้นแล้วก็เอาตามภูมิของเราหนึ่งฐานะของเราหนึ่งพระราชญาติโ ย, ยมก็อยู่ในชี้นห้างผูกของเย้าของเรือนอยู่ผู้ที่มานั่นสูงก็มารักษาชี้นแปดเอาชี้นแปดเป็นนิพเป็นประจําผู้นั่นผมมารักษา เนนก็สีลนสิบพระก็ศสองรอยยี่สิบก็มันก็มีแค่นี้แต่เราก็ต้องรู้ว่าสีลของคาลวา่าญาติโยมสีลนห้านี่คล อ, องเย้าคลองเลียนอยูออ่ก็ได้เฉพาพอสิ้นห้าเท่านั้นสีลนห้านี่แม้แต่ปฏิบัติเข่งคัดขนาดไหนก็ไปพระนิพพานไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้ ได้แค่พรโสดาบันได้แค่ปิดอบัยภูมได้เท่านั้นสินหานตายก็ยังจมอยู่ในกามอยู่ในวัตถุกามอยู่ในรูปเสียงกลิก่นรสอยู่ใจก็จมอยู่ในกามอยู่แม่ปฏิบัติอย่างไรก็ยังไม่ถึงพระนิพพานตัดสรู้ไม่ได้เรียบเสมือนไม้สดทิ้งอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำสินหา่าน ฉะนั้นพระพุทธองค์ออก็ประกาศอย่างนี้นประกาศภูมิจันท์สาวก ข, ของพระพุทธองค์ออไปประกาศอย่างนี้เศษสีกุลุมพีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ญาติจบคนขอทานเขายัางนีหนีออกจากบ้านจากช่องหนีมาเพราะว่ามันไปพระนิพพานไม่ได้เพียงแต่ปิดอบายภูมิได้ศินห้าเนปฏิบัติขนาดไหนก็ กายมันก็จมอยู่ในกามใจก็จมอยู่ในกามเปรียบเสมือนไม้มสดแช่อยู่ในน้ำต้องบุรุษต้องการไฟก็สีไฟไม่เกิดกต้องผ่านไม่านต้องการพระนิพพานก็ไปพระนิพพานไม่ได้เขาจึงพากันออกนี้เศรษฐีกุดุมพีกุดุมพีก็เพือเศรษฐีย่อมย่อมเศรษฐีใหญ่เศรษฐีน้อยอ หมอมราชวงศ์เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์มากันออกหนีไปเอาพระนิพพานเพราะว่าเกิดมาก็แก่แก่กระเจ็บกระตายอยู่อย่างนี้ไปที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือพระนิพพานคนปฎถนาแต่ไม่กล้าไปหรอกปถนาเฉยเฉมาปฏิบัติก็มาทดลองดูเฉยเใจไม่ขาดออกจากกรรมก็เป็นการได้ทุนสำรองอยู่ดอกมาปฏิบัติ ปิดอบายภูมิได้ทีนี้สิน8ปดสินดก็ออกมาตั้งแต่กลสิน8สินสิบสินสอง้อยยี่สเ็มไปามารักษาก็าไม่รักษาจริงจริงางๆหรอกเอากายมาแถงหัวลน้นคนเชี่ยวผมผ้าเหลืองผ้าขาวเฉยไม่ปฏิบัติเค้่งคัดอะไรไม่ศึกษาไม่อ่านรู้พระธรรมพระวิานายัยแม้แต่บอกมันจงไปทำผิดสินผิดธรรมอปฏิบัติ พอให้คนว่าบวชเฉยๆสี้นก็สี้นก็แค่นี้ว่าถือเอาก็ถือเอาแต่ปากเฉยๆเหมือนกับออกมาตั้งแต่กายท่านว่าสมัยไหนก็เป็นเหมือนกันแ่ะไม่ใช่แค่สมัยนี้ครับท่านตัดเอาไว้ตั้งแต่พุท ธ, ธกาลพระพุทธเจ้าออกมาตั้งแต่กายใจยังใบหมุกมุ่นอยู่ในกามอยู่ เปรียบเหมือนไม้สดแต่ทิ้งอยู่บนบกเอามาทิ้งไว้บนบกหากโมลุตต้องการไฟก็สีไฟไม่เกิดกายออกมาได้ใจออกมาได้เหมือนไม้สดทิ้งอยู่บนบกเดี๋ยวนี้เราเป็นไม้อะไรนะเท่นี้แต่เป็นหนั่งสมาธิภาวนามันก็ไม่ได้ศีไม่ดีสมาธิต้องมีศีอบรมสมาธิมันถึงจะเกิดได้ ไม้สดทิ้งอยู่บนบกนะีน่ยมันไม้เปียกๆชุ่มๆอยู่มันสีไฟไม่เกิดแต่สลูด ต, ตามพระพุทธองค์ไปไม่ได้ชีลนแปดชิ้สิบชิ้สอง้อยยี่สิบเกตกายก็ออกมาใจก็ออกมาเปรียบเสมือนไม้แห้งแหละทีนี้เอามากายก็ออกมาใจก็ออกมาทิ้งอยู่บนบก ใจก็แห้งจากกรรมกายก็ออกมาจากกรรมได้สิ่งคุกคีวุ่นวายได้เปรียบเสมือนไม้แห้งทิ้งอยู่บนบกนี่อุปมาอุปไมยเหมือนไม้มแห้งทิ้งอยู่บนบกหากูุรุษต้องการไปย่อมสีไฟให้เกิดได้หากปัทนามรรคผลมิพันธ์ก็ย่อมจะปฏิบัติเพื่อตัดสลูต่ตามพระพุทธองค์ไปได้ แล้วลองมาเทียบดูเราเดี๋ยวนี้เทียบดูเจ้าฟองอมันเป็นไม้สดหรือไม้แห้งถ้าจะไปพระนิพพานอยากจะไปพระนิพพานมันจะไปได้ไหมถ้าเป็นไม้แห้งทิ้งอยู่บนบกถึงจะไปได้เป็นไม้สดทิ้งอยู่บนบกก็ไม่ได้อีกเป็นทั้งไม้สดแช่อยู่ในน้ํายิ่งแล้วใหญ่ละทีออืกานระบวงทั้งหลายมาผูกรัดมัดสัตว์เราเอาไว้ มีวงมีบุตรเท่ากับมีเชือกผูกคอนะมีผัวมีเมียมีสามีภรรยาก็เท่ากับผูกศอกไปไหนกลับมาไม่ทันเวลาเขาเรียว่าเอาไปไหนมาทำอะไรอยู่ไปเสียเวลาตกใครมีบุตรเท่ากับมีเชือกผูกคอแล้วมีภรรยาสามีเท่ากับปลุกศอกมีทรัพย์สมบัติเท่ากับมีปลอกใส่ขา อปอกใส่ขาคือเขาเปรียบเสมือนช้างนะช้างนี่เขาเอาไปเพียงไวไ้ไปไว้ในป่าเอามาไว้ในหมู่บ้านไม่ได้ช้างเขาก็เอาปอกไปใส่ถาเอาไว้เดินไปไหนไม่ได้เขาเอาปอกใส่จุ๊อกักจึก๊กชักจช๊อกชั ก, ก, กยืนเฝ้าต้นไม้ยืนเฝ้าป่าอยู่นั่น จิตของเราก็เหมือนกันถ้าได้ลูกเกิดมาก็เหมือนปอผูกคอเชี่ยผูกคอเราลึงนัดมัดคอเราเอาไว้แล้ยลูกจะไปไหนก็ห่วงลูกมีเมียมีผัวก็เหมือนปอผูกศอกเคยเห็นเขาผูกศอกกันไห ม, มผูกศอกไว้ทําอะไรก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเหมือนปอกเสีขาจะไปไหนไปรักษาศีลภาวานาไป ที่ไหนก็ไม่ได้ล่ะกลั ว, วเขาจะไปลักเอาสิ่งของเรากลัวเขาจะไปงัดแงะเอาบ้านเอาของกลัวนั่นนั่นกับปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่เขาพูดเป็นนิทานกันอยู่นั่นมีทรัพย์แล้วก็ไม่เกลียดใจเอาไปไหนห่วงอะไรอาวรเสียดายเมื่อตายไปแล้วก็มาวิญญาณก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนแมานอนเฝ้าทรัพย์สมบัติเจ้าของอยู่ในนั้น เทียบให้ฟังสี่ห้าก็เป็นอย่างนี้ศีลแปดก็เป็นอย่างนี้ศี่สิบก็เป็นอย่างนี้ศี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นอย่างนี้ได้ยินได้ฟังแล้วพอเทียบกัวของเดี๋ยวนี้มันอะไรผูกเราเอาไว้บ้างแปดก็แปดอยู่นั่นแหละมาไม่นานก็กลับไปแหละทีนี่กลัวบ้านเขาจะ ไม่มีใครดูแลเสาเหี้ยนฝังโมเนียนยันมันหอนี้นั่นละก็ค่าอยู่นั่นนะจิตมันคาอยู่กายมันมาได้อยู่จิตมันมาไม่ได้มันไปจมอยู่นั่นแหละจมอยู่ในบุตรพรนรยาสามีทรัพย์สมบัตินั่นะไปไม่ได้อะย้ายไปน้ำทีอไปอยุคนะไม่ออกไปน้ำที่ไปยุคนะพระว่าโยองก็เหมือนกันลูกไปด้วยเดี๋ยวไปอยู่ไปพระนิพพาน ล้านไปด้วยอย่าไปอยู่ห่วงลูกหอวงล้านไม่กล้าไประนิพนานดอ ก, นอกพูดพอให้เป็นคติเกือนใจถ้าใครอยากออกมาจริงๆก็ออกมาบ่วงสามบ่วงนี่เตะให้มันขาดตัดให้มันขาดบ่วงลูกก็ตัดออกเขาเกิดมาเพราะเขาจะไม่ได้กินไม่ได้อะไรมันก็เกลียดมาวมาจะเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้ว ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นไหมล่ะกบเขียดมันไข่ใส่น้ำแล้วใครเปเลี้ยงให้มันลูกถ้าจะออกนี้จริงๆถือว่าเราตายแล้วถ้าว่าอย่างนั้นถือว่าเราตายแล้วตายจากตระกูลตายจากมนุษย์สมบัติไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกตายจากครอบจากครัวตายจากบ้านช่องห้องหอนี่ออกมาอย่างนี้ถือว่าตายแล้ว ลูกก็ไม่มีพรรยาสามีก็ไม่มีถือว่าตายแล้วไม่กลับไปคุกคีอีกไม่ไปอยู่อีกนี่มันถึงจะไปได้นะอืลูกหลานพ่อแม่เขาตายไปใครเลี้ยงให้มันแล้วต้องเอาตัดเด็ดเดียวถึงขนาดนั้นนะเัวเมียตายแล้วเขาก็ไปเอาผัวใหม่เมียใหม่เป็นดอกหนีออกมาแล้วเขาากำลังไปหาเอาใหม่เป็นอยู่ดอกไม่ต้องไปห่วงเขาดอก ให้มันไปเอาใหม่โลดเมียเอาหัวใหม่หัวแบบนี้มามันอยากไปเอาใหม่ก็ให้เขาไปเอาโลดเราตายจากพวกนี้แล้วตัดเด็ดเดียวออกมาเมื่อมาภาวนาเนี่ยมันจึงเกิดเดี๋ยวนี้เราก็มาสร้างอานิสงส์เผื่อว่าจะออกมาจริงๆมันจะเป็นยังไงมาทดลองดูมันจะออกมาจริงๆจะออกมาได้ไหม กล้าไหมนี่แหละมามามาทดลองดูซะก่อนหลายครั้งหลายคราวมันก็จะเก่งดอกถ้าออกหนีออกไปอยู่ก็เท่านั้นแหละลมหายใจเข้าออกกินอาหารก็มาบำรุงกายบำรุงกรรมพอได้อยู่ได้เป็นวันวไปนั่นนั่นถ้าลมหายใจไม่เข้าท้องแล้วก็ตายหมดช่วงที่มีลมหายใจอยู่นี่ก็รีบพากันค้นขว้าภาวนา มาพัฒนาจิตเจ้าของนั่ย น, นะยังไงยังไงก็จะตายอยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยู่ได้สักคนหรอกพูดอยู่นี่ยใครจะตัดสินใจถูกหรือผิดเท่านั้นแหละใครจะกล้าหรือไม่กล้าเท่านั้นแหละ อ, อยู่มานานแล้วเกิดมานานแล้วใช้ชีวิตมานานแล้วเปลี่ยนถนนชีวิตใหม่บ้างนี่คือกุศลามาสร้างกุศลาสร้างบุญกุศล สร้างขึ้นไปตามขั้นตามระดับอย่างนี้ประพฤติขึ้นไปอย่างนี้อธิบายข้อถูกขอ้อผิดให้ตัวเองฟังอยู่ไหนก็กินข้าวเพื่อเกา่ากลับเพื่อนไปบ้านก็กินข้าวเพื่อเก่านั่นะมาบวชก็กินข้าวเพื่อเก่านั่นแหละมา อ, อยู่ให้กินเพื่อเกา่าถ้าสงฆ์อ ง, งนิน อุบาสกอุบาสิกามาอยู่นี่ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปได้หาอยู่ให้กินอะไรยากหาอยู่ห้กินคือเกา่าสู้ดีออกมาอยู่อย่างนี้เลยไปหาขอทานเขากินพระออกไปโปรดสัตว์ว่ า, างั้นนะถ้าเราไม่มีศีลพอก็ให้สัตว์นะโปรดเราไม่ใช่เราไปโปรดสัตว์ศีลไม่มีศีลไม่ดีกินข้าวฉันข้าวเขาก็ ตายไปก็ไม่มีอะไรมาใช้ไม่มีบุญให้เขามันก็ดีอยู่อย่างก็เสียอย่างออกมาถ้าไม่รักษาศีลก่อนกินก่อนทองแดงยังดีกว่าท่านว่าก่อนทองแดงมันลวกคอเราตายยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอยู่ถ้ากินข้าวเขาล่ะศีลเราไม่มีสมาธิไม่เกิดไปกินข้าวเขา ตายไปก็ได้ไปตอบแทนบุญคุณเขาแล้วไม่มีอะไรจะใช้ในเรื่องให้โยมปวดเราไม่มีอะไรจะใช้เขาไม่มีบุญมีกุศลให้เขาตายไปก็ไปใช้มีเขาแล้วนะใช้ผ้าอาห้องอาหารเขาแล่ะพระก็ดีโยมก็ดีต้องให้มีบุญมีกุศลอย่างน้อยก็ไป ตายไปเป็นหมาไปเป่าบ้านให้เขาไปเป็นวัวเป็นควายให้เขาใช้ให้เขาข่ากินขายเอาเงินมาตอบแทนเขาตายเป็นสัตว์อย่างอื่นไปละถ้าศีลไม่มีถ้าศีลดีได้ยิ่งจะเล่นลุ่งเลืองขึ้นเป็นอริยบุคคลขั้นต้นขึ้นมาถ้าศีลดีกายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันเท่านั้น โยมก็เปลียนได้เป็นพระได้ Natural. ที่เรียกว่า ững, พระคือมันประเสริฐผู้ประเสริฐเขาเรียกว่าพระกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐกขเรียกว่าพระพระอริยบุคคลบุคคลประเสริฐผู้ประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐนี่ยสี่ห้ากุศลกรรมมาบทสิบมี อาวาจญาตโยงก็เอาอันนี้นะใส่รักษาสิ้นหาก็เอากุศลกรรมวัตสิบนี่นมาบวกใส่เราก็ได้เป็นอริยะบุคคลขั้นต้นเนี่ยปฏิบัติอยู่บ้านเขาทำอย่างนี้เป็นผู้ที่มีสิ้นหาแล้วก็กายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ได้แค่นี้ต่อไปก็เอาสิ้นแปดมาฝึกเอาสิ้นแปดสิ้นอุโบสถหรือ ศิ้นแปดปกติศิ้นรักษาศิ้นแปดเป็นนิดกายดีวาจาดีใจดีขึ้นก็ได้เป็นอริยบุคคลศิลนแปดเป็นศิ้นสูงขึ้นไปศิ้นสิบก็สูงขึ้นไปศิ้นสองยี่สิบเกีก็สูงขึ้นไปต้องมาฉลาดหาฉลาดสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของเกิดมานั่ยหาสารณ ะ, ะที่พึ่ง ทานศีลภาวนาเท่านั้นถึงจะพึ่งได้ให้ภากันเข้าใจถ้าไม่สร้างไม่ทําให้มันเกิดมันมีขึ้นก็พึ่งไม่ได้อีกคือเก่าหนึ่งเกิดมาเป็นคนก็คอยบรรใตเฉยๆหายใจทิ้งเอาได้มาก่อนหายใจออกครั้งหนึ่งก็างงางตายความตายก็ใก่เข้ามาเข้าออกเข้าออกนดีเรายังรู้จักมาฟังเทศฟังธรรมรู้จักมาประพฤติปฏิบัติอยู่ ให้มันใกล้เข้าไปย่นพบย่นชาติเข้าไปบางคนก็ว่าโอยตายไปแล้วนี่แล้วแต่มันไปเกิดเป็นอะไรแล้วใครจะไปรู้ว่างั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคนโง่คนโง่คนไม่รู้จักอะไรคนฉลาดเขาต้องรู้จักว่าตายไว้นี่เราจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเกิดเป็นอะไรถ้าเรามีเสีหสลห้ากุศลครมบทสิบแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียง อย่างมากก็เกีชาติเท่านั้นก็ไปพระนิพพานถ้ามาปฏิบัติเข้าอีกเกิดมีดวงตาเห็นธรรมเข้าไปก็เกิดสองชาติสามชาติก็ไปพระนิพพานยนพบยนชาติถ้ามานั่งสมาธิกิจสงบถ้าแตกขั้นดับแล้วก็ไปเกิดอยู่พนบนพรมมรรคลูกพรมนั่นอะอไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรต้องรู้ วิธีเตรียมตัวตายนี่เตรียมตัวตายต้องมาให้ทานรักษาศีลภาวนาคือการเตรียมตัวให้ทานผลของทานก็จะติดตัวเราไปเหมือนเงาติดตามตัวเราไปศีลก็เหมือนกันเป็นเงาติดตัวเราไปเราไปอยู่พบในฉาติหนทานกับศีลก็จะตาย อุดหนุนคำจุนเราอยู่ปิดอบายภูมิให้เราคล้องได้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปการให้ทานรักษาศีลถามีการภาวนาอนี้ก็ยิ่งแล้วนะภาวนามันแบ่งออกเป็นสองอย่างภาวนาสมถภาวนาก็คือทำจิตให้สงบนะเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา ทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แหละคือการเตรียมตัวตายไม่ใช่ว่าไปเตรียมอย่างอื่นเราต้องมีการให้ทานผลของทานนี้จะอุดหนุนคำจุนเราไปเกิดในภพไหนชาตินี้ก็จะเป็นคนร่ำรวยท่านจึงกล่าวตัดสั้นๆว่า ใครอยากรวยให้ทำทานเอาไวนะ้การเตรียมตัวตายก็ว่าใครอยากร่ำอยากรวยให้ทำทานเอาไว้รวยตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าก็รวยอีกใครอยากสวยก็ต้องรักษาศีลเอาไว้ผู้มีศีลหน้าตาเช่ิมชื่นเบิกบานหน้าตาผ่องใสหน้ามีศีลมีธรรมกิริยาอาการก็สวยงาม กิริยามนุษย์ของผู้มีศีลสวยงามท่านจึงว่าใครอยากรวยให้ทําทานเอาไว้นะให้อยากสวยให้รักษาศีลเอาไวนะ้นี่หน้าตาปองใสเบิกบานคนมีศีลมีธรรมเดินเหินก็องค์อาจกล้าหาญเหมือนนะผู้อยากมีปัญญาสติปัญญาก็ให้ภาวนาเอาไว้อืมคิดพามันคิดฝึกคิด ฝกจิตให้มันคิดคนคิดดูถ้าเรามีคนมีสติมีปัญญามันก็หน้าตาก็แจ่มชื่นเบิกบานคนมีศีลมีสมาธิแจ่มชื่นเบิกบานนะหากว่าไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานชั้นใดชั้นหนึ่งตายไปก็ไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นพบนั่นละ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นผู้มีสติปัญญาได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นผู้มีอยู่มีกินล่ํารวยไม่อดไม่อยากกุศลผลทานของเรามันติดตามมานะดนบันดาลให้เราเป็นคนล่ําคนรวยขึ้นให้เป็นคนสวยคนงามขึ้น เป็นคนมีสติปัญญาตกไปไหนก็ไม่อดไม่อยากหรอกมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนถ้า ม, มีปัญญาก็เหมือนมีทรัพย์เอาปัญญาของเรานะไปเป็นเครื่องท ร, ร ม, มาหากินเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการนี่เกิดจากนี่แหละคนไม่ทำบุญทำทานเอาไว้เกิดมาก็ ไม่มีอะไรแล้วเกิดก็ไปเกิดในตระกูลที่อดๆหยากๆากตระกูลที่ต่ำๆมั น, นไม่มีอะไรละนั่นน่ะจิตมันสัมภเวสีไปท่านเรียกว่าเหมือนกับบ่าวสาวแสวงหาเนื้อคู่จิตของเราก็สแสวงหาที่เกิดไปบ้านในพลในพันธ์มันก็ไม่กล้าไปเกิด พอภูมิจิตภูมิใจเขาคล่องไม่สามารถจะไปอยู่กับเขาทรัพย์สมบัติเขาได้ไม่วนเวียนไปนะี่นะไปเกิ ด, กดเกิดตรงที่มันงนะ่ายๆบุญกุศลเราไม่พอคูส่สมกันเหมือ น, นกับเขาบ่าวสาวเขาหาเนื้อคูนะ่คนสมพอกันเขาถึงแต่งงานกันถ้าคนดีกว่าเราเขาก็ไม่เอาเราล่ะถ้าคนต่ำกว่าเรา แล้วก็ไม่เอาเขาอีกละก็ต้องคนพอๆกันถึงจะเอากันแต่งงานกันได้อันนี้จิจของเราก็เหมือนกันท่องเที่ยวซ้ำพเวสีไปไปเห็นบ้านเศรษฐีก็ไม่กล้าเข้าไปบุญบารมีไม่ถึงไปเห็นบ้านนายพลนายพั น, นเห็นรั่วเขาเห็นประตูเขาเข้ายากใจออกแล้วไปมาไปมาก็ลงไปไปหาบ้าน เฮี้ยนห่างๆเราศาสตร์เป็นประตูเปิดกับเขาง่ายยืด ๆ, ๆอยากๆไปเกิดอยู่ที่จังนั้นแนหะคนไม่ไม่ได้ ท, ทาบุญทาทานเอาไว้ถ้าไปเกิดอยู่นั่นก่อนคนจนไม่เกิดนะเหมือนพวกไปเกิดไปเกิดกับคนขอทานนะที่ในธรรมบทเขาท่านเขียนเอาไว้ไปเกิดอยู่ตับหญิงไม่มีอยู่มีกินแหละ เวลาไปเกิดนะ่ะคนบาปไปเกิดคนบุญน้อยไปเกิดพอตั้งท้องเท่านั้นแหละแต่คนไปหาขอทานพอได้ยินนี่ยอยากอยู่พอลูกไปเข้าท้องเนะี่ไปหาอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่ได้กินแหน่คนไม่เคยทําบุญทําทานไปเกิดกับเราแม่เกิดมาเกิดมาแล้วคลอดออกมาแล้วก็เหมือนกันไปหาขอทานไปเกิดอยู่กับคนขอทาน ไปหาขอทานก็ไม่ค่อยได้ถ้าวันไหนอุ้มลูกไปไม่ได้กินเลยลูกไม่เคยทำบุญทําทานวันไหนเอาลูกฝากเขาไว้ไปขอทานก็ได้กินอ ย, อยู่ประเทศอินเดียท่านเขียนเอาไว้นะอส่วนมากประเทศอินเดียมีแต่คนขอทานหลายเขายังแบ่งชั้นบรรณะอยู่นะคนบรรณะต่าๆนี่ไม่มีอะไรมีแต่ขอทาน ไม่มีสิทธิ์จะมีที่ดินซื้อที่ดิน ม, มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ต้องวิ่งขอทานไปไหนอโอ้ไวเร็วได้ยินว่าคนนี้ได้ก็วิ่งมาเพื่อจะขอไปประเทศอินเดียเห็นใครเคยเห็นไปแล้วก็ไม่อยากไปอีกมันมีแต่คนขอทานวุ่นวายเต็มบ้านเต็มเมืองไปไห น, นก็มี นั่นละ่ะคนบาปไปเกิดกับคนบาปคนไม่มีบุญไปเกิดกับคนขอทานแม่คลอดออกมาก็อุ้มไปขอทานก็ไม่ได้กินวันนั้นเขาไม่ให้ไม่ได้ทานเลยวันไหนเอาลูกฝากไว้กับคนอื่นเจ้าของไปขอทานก็พอได้กินอยู่ ม, มันมันถึงขนาดนั้นละ่ะคนไม่เคยกินเคยทานเห็นเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาได้ อันนั้นอันนี้มากุศลคนบุญเขาติดตามมาอุดหนุนทำจุนดอกได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นเจ้าเป็นนายบุญเก่าเราดอกกินของเก่าดอกต้องของใหม่ก็สร้างเอาไว้ด้วยเมื่อมันตายจากคภบนี้ชาตินี้มันจะได้เป็นคนล่ําคนรวยคนสวยคนงามคนมีสติปัญญาผู้ใดอยากรวยให้ทําทานเอาไว้ ผู้ใดอยากสวยให้รักษาศีลเอาไว้ผู้ใดอยากมีสติปัญญาต้องให้ภาวนาเอาไวนะ้นั่นให้พากันตั้งชาตินี้เราก็าจินของเก่าเราได้แค่นี้เอาบุญมาต่อบุญด้วยมีเงินมีทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีเงินมีทองเป็นคนมีบุญก็เอาเงินเอาทองเรานี่ย มาทำบุญทำทานต่อเอาบุญเอาบุญมาต่อเอาบุญเอาไว้ oh <wait. S 1> นะคนไม่ได้กินเนตทานก็เหมือนกับน้ำน้ำไม่มีที่ไหลออกย่อมอุดตันตื้นเขินเคยเห็นว่าน้าที่บ้านนอกเราอุดตันตื้นเขินเน่าเม้นแม่น้ำใดไม่มีที่ถ่ายเทไหลออกย่อมอุดตันเน่าม้นคนกินว่ า, าน แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยๆไหลเรื่อยๆลงสู่ทะเลไม่อุดตันเน่าเหม็นคนก็ได้ดื่มกินและอาบไหลเรื่อยๆลงสู่ทะเลนนัแม่น้ำนั้นย่อมสะอาดใช้มาดื่มมากินมาทำอะไรก็ได้แม่น้ำใดอุดตันตื้นเขินเน่าเหม็น คนไม่ท่านเปรียบเสมือนคนไม่เคยกินเคยทานนั่นแหละไม่ได้อะไรขึ้นมานี่พากันทําเอาไว้แบ่งส่วนมากินมาทานบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ว่าจะไม่กินไม่ทานมันอุดตนันตื้นเขินเหมือนน้ําไม่มีที่ใส่เทไหลออกนนั่ะคนจะไปอาบไปกินก็ไม่ได้น้ํา น้ำสายใดไหลมีที่ไทยชายเทไหลออกไหลไปเรื่อยๆไหลเอือเอ่อยๆลงสู่ทะเลไม่อุดตันตื้นเขินคนอาบดื่มกินได้นั้นน่ะเรียบสเสมือนคนไม่เคยให้ทานนั่นล่ะมันอุดตันตื้นเขินคนให้ทานก็เหมือนแม่น้ําที่ไหลผ่านไปเนี่ยสะอาดนั่นะเข้าใจวิธีทําทานรีบกินรีบทานน้อย วันหน้าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่หนอ <c oughs> ต้องคิดดูมันจะมีไหมวันพรุ่งนี้เราจะมีวันพรุ่งนี้ไหม <c oughs> นี่แหะท่านจึงให้เตรียมเตรียมตัวเอาไว้เตรียมกายเอาไว้เตรียมใจเอาไว้ถ้าหาว่ามันพลาดลงมาใจขาดออกจากร่างไปร่างกายเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไปใช้งานไม่ได้ เอาไท้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้ท่านจึงให้เตรียมตัวเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ระยะที่มีอยู่ใช้มันให้เป็นใช้กายใช้วาจาให้เป็นใช่ไหมมาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยแหละเรียว่าเตรียมตัวใจให้เข้าใจอย่างนี้นะเตรียมตัวเอาไว้ทุกองค์ทุกคนทุกท่านนั่นแหละ มันไม่แน่นอนนะลมไม่เข้าท้องก็ถือว่าตายเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันตายแบบปกปิดปฏิชันะอัปติชนะัชนะตายแบบเปิดเผยคือลมหายใจไม่เข้าท้องนะั่นตายแบบเปิดเผยนี่แหละที่ท่านวักุตสลาอากุตสลานก็มาจากนี่แหละเป็นภาษาบาลีเอาวันนี้พูดไปพูดมาก็หมดเวลาเอาละพอ ไปท่านก็เลือกมองท่านไปท่านก็ไม่ใช่ไม่ไปเลือกนะเห็นอะไรก็เห็นหมาวิ่งไปก็โยนให้หมากินอย่างนั้นมันไม่ <c oughs> เห็นพระก็เหมือนกันพระก็มีหลายอย่างเลยพระพระจริงๆก็มีพระอมก็มีถ้าบวชมาเป็นสงฆ์ก็มีปูตุชนสงฆ์อริยะสงฆ์ด้วยเลือกที่ไปท่านเลียกเห็นมันถือมองท่าน พอเข้าใจไหมล่ะการให้ทานรักษาศีลภาวนานะอา้าวมีอะไรสงสัยให้อีกสักหน่อยเวลายังแป๊บเดียวไม่สงสัยก็พาเลิกไปาเลิก